ตัวสติตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นไัยเห็นไัยในวัฏสงสารไปมองตนการมองตนเน่เป็นการตรวจสอบไม่ว่าอะไรถ้าเรามองถ้าเราเห็นก็เห็นตามผมเป็นเท็จเป็นจริงเพราะว่าที่เห็นเห็นทั้งของกริงเห็นทั้งของเท็จ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 ถ้าพลังของสติไม่พอมันจะเข้าไปเป็นเป็นโศกเป็นทุกเป็นเบื่อเป็นอ ะ, อะไรหลายอย่างเพราะกาลังสติมันไม่พอมล้วกับน้ําที่มันไหลน้อยๆมันไม่สามารถที่จะพัดพาเอาเสีย ง, งโศโคกไปหรือมันตกลงมาเส่ถนนน้ําน้อยๆฝนน้อยๆก็ทําให้เลอะเทอะไปมันไม่เพียงพอถ้าตก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 แต่จะเป็นความทุกข์ก็ขี่คออยู่วนความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์ยุดสูงกว่าเราเรามีชยภูมิที่ดีในสติเป็นชยภูมิที่ดีแต่เป็นนักรบก็ได้ชยภูมิที่ดีมีโอกาสชนะได้ทุกกรณีถ้ามีความรู้สึกตัวเราจึงตั้งหลักตอนนี้ไว้ให้ดีๆก่อน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 แล้วก็เห็นเนี่ยไปทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วทูทีเริอนสติปัฏฐานตามหลักกายสติปัฏฐานสี่เนี่ยแสดงว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่มันเกิดความง่วงเงาหอนอนก็แสดงว่าไปเส้นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ผ่านตรงนี้แหละพกําลังเลวสงสัยเกิดขึ้นอ๋อไปทางเดียวกันเอกแล้วพบเหมือนกันข้าบโูเขาลูกนี้เหมือนกัน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 อฏิบัติมันก็คือโต้ตอบทักท้วงเปลี่ยนอฏิบัติคือเปลี่ยนไล่เป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนอะไรอรก็ตามเปลี่ยนมันเปลี่ยนความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะความถูกมันคือความรู้สึกตัวเราสร้างสติมันต้องเป็นสติคือความรู้สึกตัวมันซึ่มันทุกข์ก็คือรู้สึกตัวนะทุกข์มันโศกมัน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 รู้สึกตัวมันก็รู้ได้จริงจริงขณะที่รู้สึกตัวประกอบปาสร้างสติเอ้าวความหลงก็หมดไปมันทุกข์ขึ้นมา อ, อีกลูรู้สึกตัวความทุกข์ก็หมดไปเอาไปมามันก็เหลวไหลทั้งนั้นอะไรที่มันยกไม่ขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นของเกิงเก่งแบบไม่จริงความทุกข์ก็ไม่อยู่จริงแต่มันไม่เริง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 มีคมแต่ไม่มีน้ำหนักน้ำหนักมีแต่ไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่ทำอะไรไม่สำเร็จเช่นเราไปฟันไม้มีดกนมันคมแต่มันไม่มีน้ำหนักมันก็ฟันไม้ไม่เข้ามีดที่มันคมไม่มีน้ำมันมีน้ำหนักแต่มันมีที่ตั้งเห็นเรายืนยืนแล้วก็ฟันลงไปเหมือนถึงศีลสมาธิปัญญา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 เรื่องของกายก็เป็นวิปัสนาเห็นแล้วเห็นแล้วไม่มีตัวไม่ตนอยู่ในกายเห็นเป็นกายทำความเป็นจริงเขาร่นเขาหนาวเขาปวดเขาโวยเขาสุขเขาทุกข์แต่ว่าไม่มีเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ผูกายเป็นผู้ล่นผู้หนาวผู้กายแต่ว่าเป็นผู้เห็นเป็นผู้เห็นนี่อน่านี้เวทนาก็เหมือนกันเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์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 ผมรู้สึกตัวพอให้เราเหนือสุขเหนือทุกข์ผมรู้สึกตัวต่างหากที่ทําให้เราเป็นบรัณฑิตผมรู้สึกตัวต่างหากที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ผมรู้สึกตัวต่ง า, หานนตตงหากที่ทาให้เราเป็นพระเป็นเจ้าไม่ใช่รูปแบบอันไหนการปฏิบัติเจริญสติปฏิบัติตามธรรมสัตยมยโชสุ ป, ปฏิปฏิคุณาพิจุตตพะสง์เกิดจากพระศัทธรรม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 จนถึงเป็นพระรหัน์ก็คือความรู้สึกตัวพระรหันก็เพปินผู้มีสติเป็นหน้าโลกพล ะ, ะหัน์ผู้มีสติเป็นหน้าโลกมาทางไหนก็รู้สึกตัวได้มาทางตาก็รู้สึกตัวมาทางหูก็รู้สึกตัวมาทางกลิตก็รู้สึกตัวมาทางเลี้ยก็รู้สึกตัวมาทางกายก็รู้สึกตัวมาทางกิตใจที่มันคิดเนื้อก็รู้สึกตั ว, วหน้าโลก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 สมุดเฟังแต่ว่าสมุตดมันไม่จริงไม่ใช่ปลมัดความหลงเป็นสมมุติความรู้สึกตัวเป็นปละมัดความโกรธเป็นสมุติความรู้สึกตัวเป็นปละมัดนะปละมัดเ ป, เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราอย่าไปทิ่งปลมัดปลมัตดคือเริ่มต้นจากการเจริญสตินี่แหละความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละปรมัดถัดสภาวะธรรมสร้างขึ้นมาอย่าให้ความหลงมันหองชีวิตเรา กู้ชีวิตเราขึ้นมาโดยการเจริญสติการเจริญสตินเตนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอาบเมื่อไหลไร ย, ย้อยอะไรก็รู้ได้รู้เบาเบารู้นิ่มนวนลรู้ลึกซึ้งไปไม่ใชเดินอไหลคร ย, ย้อยไม่ใช่นั่งหลังคนหลังงอเออผมรู้รสึกตัวไปอะไรก็ได้อานั่งอยู่เฉยๆรู้สึกตัวก็ได้